ไม่มีอะไรที่จะสาคัญเท่ากับความสุขใจความสุขใจนี้เป็นสุดยอดของความสุขที่พวกเราทุกคนแสวงหากันแต่ความสุขใจที่พวกเราได้กันมันกลายเป็นความทุกข์ใจสุดยอดเพราะ สิ่งที่เราได้จากสิ่งที่ทำให้เราได้รับความสุขใจเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยมได้มาแล้วเดี๋ยวพอมันเสื่อมมันเสียหรือหมดไปความสุขใจที่ได้ก็หายไปความทุกข์ใจก็เข้ามาแทนที่เช่นรถยนต์ซื้อมาใหม่เอี่ยม ดีใจสุดๆเดี๋ยวเกิดระชนกันเกิดหายไปความสุขใจที่ได้จากได้รถยนต์มาก็หายไปหมดสิ่งที่ก็มาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจความปวดหัวถ้าเสียก็ต้องเอาเข้าอู่ถ้าอู่เข้าซ่อมไม่ไม่ได้เหมือนเดิมก็ปวดหัว ต้องเข้าหลายๆรอบหลายๆครั้งจนทำให้เบื่อในยกตัวอย่างของความสุขที่พวกเราแสวงหากันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะต้องมีวันเปลี่ยนไปหมดไป พวกเราจรึงวุ่นวายใจกันอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่เราหาอะไรต่างๆมาให้เรามีความสุขได้กันมากมายแต่หามาได้มากมายเท่าไหร่ความสุขนั้นก็เป็นความสุขชั่วคราวไม่เหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆตอนที่ได้ของใหม่ๆนี่โอสุข ยิ้มแป้นทั้งวันแต่พอหลังจากนั้นไปมันก็ค่อยๆจางหายไปเหมือนน้ำเย็นที่เราเอาออกจากตู้เย็นใหม่ๆมันก็เย็นเฉียบพอทิ้ไงไว้ข้างนอกนานเข้าไปความเย็นมันก็จะค่อยๆหายไป แล้วเดี๋ยวความเย็นก็หายไปหมดนั่นคือสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราเวลาได้มาใหม่ๆนี่สุขมากแต่พอระยะเวลาผ่านไปความสุขนั้นก็ค่อยๆจางหายไปแต่แต่งงานใหม่ๆนี่สุขไหมสุขสุดยอดของมนุษย์เราก็คือการได้แต่งงานกัน เข้าถึงจัดงานกันจัดงานเลี้ยงกันวันแต่งงานนี่เป็นวันที่สุขมากที่สุดแต่มันสุขเพียงวันนั้นความสุขสูงสุดคือวันแต่งงานแล้วพออยู่ไปความสุขนั้นก็ค่อยๆจางไปจางไปหายไป ดีไม่ดีกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทุกจนถึงกับอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องหย่าร้างกันไปถ้าไม่อย่าร้างก็อยู่กันแบบหวานอมขมกลืนหรือกลืนไม่เข้าคายไม่ออกบางคู่แต่งแล้วก็อย่าไม่ได้เพราะเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย หลายคนก็ไลยต้องทนอยู่กันไปบางคนพรมีส่วนเกี่ยวข้องทางครอบครัวของทั้งสองฝ่ายหรือถ้ามีบุตรมีธิดาหรือมีทรัพย์สมบัติที่มันผูกพันกันเลยทําให้ยากกันยากยุ่งยากลําบากก็เลยต้องทนอยู่กันไป แต่ไม่ได้อยู่ด้วยความสุข <c oughs> ต่างฝ่ายต่างก็ออกไปหาความสุขจากสิ่งอื่นๆแต่ความสุขจากคู่ของนั้นหายไปหมดแล้วนี่คือลักษณะของความสุขที่พวกเราหากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันสุขเดียวเดียว สุขตอนต้นแล้วต่อไปมันก็จะค่อยๆจางหายไปแล้วก็อาจจะมีความทุกข์เข้ามามากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์บางคนก็ทุกข์มากบางคนก็ทุกข์น้อยแต่สุขที่ได้จากสิ่งนั้นมันไม่มีแล้ว มันหมดไปแล้วพวกเราจึงต้องคอยหาสิ่งใหม่ๆ ม, มาให้ความสุขใหม่ๆหรือหาคนใหม่มาให้ความสุขใหม่ๆเห็นไหมดาราภาพยนต์ฮอลลีวูดบางคนแต่งแล้วยาาสิบกว่าครั้งแต่งกันหกเดือนเจอกันสามวันก็แต่งแล้ว แต่งได้หกเดือนก็อย่าแต่อย่าแล้วอยู่คนเดียวก็อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้อยู่คนเดียวก็ทุกอยู่สองคนก็ทุกนี่คือความสุขที่พวกเราดิ้นรนหากันถ้าพวกเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราจะไม่รู้จักความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จีรังถาวรเป็นความสุขที่ไม่จืดไม่จางได้ยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ความสุขที่ได้มาในวันแรกก็ยังเป็นอยู่ในวันที่ร้อยวันที่พันวันที่หมื่น ในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งออกบวชออกบวชแล้วก็ปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์พอบรรลุแล้วความสุขมันเปี่ยมล้นอยู่ในหัวใจจนมันล้นออกมาทางวาจาเดินไปไหนมาไหนก็สุขนาสุขนาลำพึงลำพันไปภายในใจว่าสุขนาสุขหนา พระเนรที่ไม่เข้าใจพระเนรที่ถูกสอนให้สำรวมด้วยสติทางกายทางวาจาก็คิดว่าพระรูปนี้ไม่มีสติสำรวมกายวาจาก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกมาสอบถามว่าเธอไม่มีสติเรื่องไง เห็นเดนเพอเจ้พูดอะไรพ้อเจ้อหรือแธอก็ตอบว่าไม่ใช่การเพอเจ้อแล้วมันเป็นการล้นออกมาจากใจความสุขที่มีอยู่ในใจมันมันเป็นความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนความสุขสมัยที่เป็นมหาเศรษฐีก็สู้ความสุขที่ได้จากการ มรรลุธรรมไม่ได้พอที่บายพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็เข้าใจก็บอกว่าเขาไม่ขาสติหรอกเขาเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เป็นพาาระอรหันต์นี่คือการแสดงออกของความสุขใจที่บรรลนออกมาทางวาจา นี่คือเรื่องของความสุขเป็นเศรษฐีแต่ไม่สุขมีความสุขแบบเศรษฐีก็ตามแต่เป็นความเป็นความสุขที่พุกเข้าไปด้วยความทุกข์จนถึงกับขั้นเบื่อหน่ายมีสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรยกให้คนอื่นไปหมดออกบวช ด, ดีกว่าพอได้พบกับพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เกิดความประทับใจในความสุขที่พระพุทธเจ้าจะทรงมอบให้ก็เลยกราบขออนุญาตบวชบวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติจนในที่สุดก็บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดบรรลุถึงความสุขขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพาน นิ บ, บานังบาลมังสุขขังออนี่แหละบาลมังสุขที่แท้จริงคือความสุขของพระนิพพานพระนิพนพานคืออะไรออพระนิพพานคือจิตที่ได้รับการชาระด้วยมักคือศีลสมาธิปัญญาออจนสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากตัณหาความอยากปราศจากกิเลส ความโลภความโกรธความหลงปาศาจากโมหะอวิชชาจึงทำให้จิตนี้มีแต่ความสุขที่เรียกว่าบรมมสุขเพราะเป็นความสุขที่ไม่จืดไม่จางไม่หายไปเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นนี่แหละคือคำว่านิพพานพวกเรา ไม่เข้าใจคิดว่านิพพานคือความตายหนึ่งสองคิดว่าความศูนย์หนึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจผิดคำว่าตายนี่เราใช้สรรพนามให้กับพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกเวลา ท่านร่างกายท่านตายเราไม่บอกว่าตายเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นบุคคลเหมือนพวกเราท่านไม่ได้เป็นคนธรรมดาสามัญเหมือนพวกเราเราต้องมีคำพิเศษให้กับท่านเวลาพระพุทธเจ้าตายพระอรหันต์ตายเราเรียกว่าท่านนิพพานเหมือนเวลาพระเจ้าแผ่นดินตายเราไม่เรียกพระเจ้าแผ่นดินตายเราเรียกพระเจ้าแผ่นดินเสด็จสวนคด คือไปเกิดในสวรรค์นั่นเองคำว่าสวรรค์ก็คือไปเกิดในสวรรค์คำว่านิพพานก็คือไปเกิดในนิพพานแต่ความจริงจิตของท่านไปถึงนิพพานก่อนที่ร่างกายตายแล้วนะครับเห็นี้คนเราบางทีพอพูดถึงคำว่านิพพานแล้วไม่อยากไปกันคิดว่าจะไปนิพพานนี้ต้องตาย ถึงจะไปได้อย่างมีคนกลัวกันยิ่งญาติโยมนี้กลัวมีคนเล่าว่าถ้าญาติโยมปฏิบัติถึงนิพพานแล้วจะต้องตายภายในเจ็ดวันถ้าไม่ได้บวชบาปมันคนเรื่องของร่างกายกับเรื่องของใจมันคนเรื่องกันมันไม่เกี่ยวกันแต่ไปรไะเห็น คงจะไปเห็นกรณีที่มีคนเป็นอาลาหันแล้วตายตายไม่ได้บวชแล้วก็ตายภายในเจ็ดวันเออเช่นพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าพระพุทธบิดาก็เจ็บไข้ได้ป่วยพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดสอนจนบรรลุปเป็นพระอาลาหันเจ็ดวันก่อนตายออก็เลยคิดว่าเนี่ยพอเป็นพระอาาหัน แล้วเป็นเป็นเป็นคนธรรมดาไม่ได้บวชพอพอเป็นพระอาหารแล้วพอเจ็ดวันก็ต้องตายถ้าไม่ได้บวชไปว่าอย่างนั้นหรือกรณีของชายคนหนึ่งที่ไปพบพระพทุทธเจ้าระหว่างบินทบาตก็ทรงกาบขอฟังธรรม พระพุทธเจ้าก็บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะแสดงธรรมกาลังบินถบาทอยู่แต่ชายคนนี้มีความอยากฟังมากๆ ก, ก็ขอให้พูดสั้นๆก็แล้วกันเอแสดงธรรมสั้นๆพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าเธอเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นเธอได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินเธอรู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้อ พอฟังทัานนี้เขาก็บรรลุเป็นพาระหลานขึ้นมาก็ขออนุญาตที่จะไปเตรียมตัวบวชขอลาพระตจ้าเพื่อไปเตรียมตัวบวชแต่ระหว่างทางไปถูกกระทิงขวิดตายนี่ก็เลยคิดว่าเป็นพาระหลานยังไม่ได้บวชก็เลยต้องตายอันนี้ไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกัน เรื่องของจิตใจกับเรื่องของร่างกายมันคนละเรื่องกันเรื่องของร่างกายมันมีเหตุที่ทําให้มันตายมันก็ตายได้ไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือเป็นคนธรรมดาอมันไม่เกี่ยวกันเรื่องของจิตใจนี้มันคนละเรื่องกันนี่คือเหตุที่ คนที่ไม่ได้ศึกษาอย่างเข้าถ่องแท้เข้าใจจะกลัวคําว่ากลัวคําว่านิพพานกลัวคําว่าพระอารหันต์กันฮกลัวว่าถ้าเดี๋ยวปฏิบัติบรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วเอจะต้องตายไปในเจ็ดวันถ้าไม่ได้บวชซึ่งตอนที่ยังไม่ได้เป็นพระอารหันต์ตอนที่ยังเพิ่งศึกษาอยู่นี่ก็ไม่อยากจะบวชอยู่แล้วอ พอรู้ว่าต้องบวชก็เลยไม่อยากจะเป็นพระอรหันกันแต่ไม่รู้ว่าการเป็นพระอรหันนี่มันยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกเขาไม่รู้ว่าความสุขของพอระอรหันนี่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกใครับ เขาไม่ได้ศึกษาครับ เ, เ, เขายังติดอยู่กับการหาความสุขจากาลาภยศสรรเสริญก็จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระอยู่จึงไม่อยากจะบวชจึงไม่อยากจะเป็นพระอราหันต์กันออนี่แหละคือความรู้ที่เข้ามาแทรกในพระพุทธศาสนาที่ทำให้คนนี่ ด้อยศรัทธาหรือมีศรัทธาน้อยเพราะฟังฟังแบบฟังแบบไม่ถูกฟังจากแหล่งที่ไม่ถูกฟังแล้วแทนที่จะเกิดศรัทธาอยากจะไปนิพพานอยากจะเป็นพระอรหันต์กลับกลัวเป็นพระอรหันต์กันกลับกลัวไปนิพพานกัน ทั้งๆ ท, ที่พาระอรหันต์นี้เป็นเหมือนคนที่ได้ถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ไม่อยากไม่รู้ว่าจะและจะจะได้ถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนะบางคนก็คิดว่าอพอเป็นพาระอรหันต์ปั๊บนี่จิตจะสูญไปเลยพอพระรพุทธเจ้าก็ทรงตัดสอนว่านิพานังปรมังสูญอย่างเอนิพานคือความสูญ ความว่างเปล่าคำว่าศูนย์นี้คือว่างเปล่าเหมือนตัวเลขศูนย์ตัวเลขศูนย์นี้ไม่มีอะไรเวลาเล่นกีฬาศูนย์หนึ่งศูนย์สอ ง, สองเล่นบอลบอลโลกสองศูนย์นี่แสดงว่าฝ่ายหนึ่งได้สองแตม้มอีกฝ่ายหนึ่งได้ศูนย์แต้มยังไม่ได้ศูนย์ยังไม่ได้แตม้มคำว่าศูนย์ในที่นี้พระเจ้าหมายถึงใจว่าง ใจเมื่อก่อนนี้มันไม่ว่างใจของพวกเราตอนนี้ไม่ว่างใจพวกเราตอนนี้เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆนี่คือใจของปุถุชนคือพวกเราเนี่ยพวกเราวันๆอย่างนี้มีแต่เรื่องวุ่นวายใจมีแต่เรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวล สลับกับเรื่องของความสุขบ้างเล็กๆน้อยๆสลับไปสลับมาคือถ้าเป็นจอทีวีก็มีภาพเต็มไปหมดแต่ใจของภาหาา น, นี้เหมือนจอทีวีที่ปิดนะเวลาปิดจอทีวีมีภาพไหมว่างใช่ไหมแล้วจอหายหรือเปล่า จิตก็เหมือนจอทีวีเนี่ยจิตที่ได้รับการชําระด้วยศีลสมาธิปัญญาจะว่างจากเรื่องวุ่นวายต่างๆทั้งสุขทั้งทุกข์สุขก็เป็นสุขแบบวุ่นวายสุขพอสุขแล้วก็เกิดความรักความหวงความห่วงความวิตกขึนมากลัวจะเสียความสุขที่ได้มาไป มีเรื่องทุก็เป็นเรื่องที่เครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่คือเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตใจของปุถุชนอย่างพวกเราทั้งหลายมีแต่เรื่องนะตื่ขึ้นมาก็เริ่มก่อเรื่องขึ้นมาแล้วคิดถึงเรื่องอะไรก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วดีใจบ้างเสียใจบ้าง วุ่นวายบ้างเครียดบ้างนี่คือใจของพวกเราเหมือนทีวีที่ไม่ได้ปิดเนทีวีที่เปิดอยู่ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแม้แต่เวลาหลับมันก็มีเรื่องมีราวมาปรากฏในในเรื่องในรูปของความฝันนอนหลับแล้วแทนที่ใจจะว่างก็ไม่ว่างก็ยังวุ่นวายอยู่ ใจของผู้ที่จะมีความว่างได้ก็คือพวกที่ฝึกสมาธิเนี่ยพวกที่ฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วใจก็จะว่างแต่ว่างชั่วคราวเหมือนปิดทีวีชั่วคราวเดี๋ยวไม่นานมันก็เปิดขึ้นมาเองเอ ง, เ อ, งออกจากสมาธิมามันก็เริ่มวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆ ทังเรื่องภายนอกเรื่องภายในเรื่องภายนอกก็เรื่องที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายเรื่องภายในก็เรื่องที่คิดปรุงแต่งขึ้นมาเองนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้แล้วก็วิภากควิจารณ์วิตตกอะไรไปอ้วนวายไปนี่คือจิตใจของปุตุชน ผู้ที่ได้สมาธิก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นพระอาหารหันต์เพราะว่าสมาธินี่ก็เป็นความว่างชั่วคราวยังเป็นปุถุชนอยู่ผู้ที่จะเป็นพระอาหารหันต์นี่ต้องทำใจให้ว่างได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงอยากจะทำใจให้ว่างได้ต้องกาจัด ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเ อ, อพอทำพอปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วศีล ส, สมาธิปัญญานี้จะมาะทําลายเรื่องวุ่นวายเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปเ อ, อทําให้ใจเหลือแต่ความว่างเ อ, อ เนื้อแต่ศักแต่ว่ารู้ที่พระเจ้าสอนไว้ศักแต่ว่ารู้คือเห็นอะไรก็รู้เฉยเฉไม่ไปปรุงไปแต่งไม่ไปรักไปชงังไปกลัวไปหลงเห คือว่างจากความรักชังกลัวหลงก็ได้ใจของพระอรหัน์นี่ว่างจากความรักความชังความกลัวความหลงเห็นเงินกองเท่าภูเขาก็ไม่ได้รักไม่ได้ยินดีเห็นอุจจาระก็ไม่ได้มีความ เ, าเกลียดชังเห็นแล้วก็เฉยเฉยเห็นแล้ไม่เห็นอย่างพวกเราเห็นพอเราเห็นเงินทองนิตาลูกวาวเห็นก็ เห็นทองคำแท่งนิ้ตาลุกวาวเห็นก้อนอุจจาระแล้วนี่สายหน้านี้แต่ท่านเห็นแล้วท่านเห็นเหมือนกันทองคำก็ธาตุอุจจาระก็ธาตุธาตุดินมาจากดินน้ำลมไฟเห็นคนเป็นก็เฉยเห็นคนตายก็เฉยเห็นซากศพก็เฉยเห็นคนเป็นก็เฉย เห็นดาราภาพประยุนเห็นนายแบบนางแบบก็เฉยเห็นคนอพิการเห็นคนไม่น่าดูก็เฉยน่าเกลียดน่ากลัวก็เฉยนี่คือใจที่ว่างเป็นอย่างนี้ท่านถึงเรียกว่านิบานังประมังสุญญ์ยังว่างจากอารมณ์ต่างๆว่างจากความรักความชังกลัวหลง พวกที่ศึกษาแต่ไม่ปฏิบัติก็มาแปลว่านิพพานคือการสูญสิ้นของจิตนะปแปลความหมายว่าอย่างนั้นพอถึงนิพพานแล้วจิตก็อันตรธานหายไปเลยแล้วใครไปนิบานังบรลมังสุขขังล่ะแล้วใครไปพบกับความสุขที่ของพระนิพพานในชะ่ไหมใครเป็นผู้รับผล ของพานิพานของความสุขของพาณิพานก็จิตนี่แหละแล้วเมื่อจิตมันสูนแล้วมันนิพานมันจะเป็นบรมังสุขังได้อย่างไมคือคนที่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็เป็นพวกตาบอดคาช้างไคลได้ยินพวกตาบอดคาช้างนิทานมีตาบอดห้าคนหรือสี่คนเนี่ย เดินไปมือก็เดินไปไปเจอช่างเข้าคนหนึ่งก็ไปจับที่งวงก็บอกไอ้นิ่งูเนี่ยว่าเออีกคนไปจับที่งาบอกไม่ใช่ไอ้ไอนี่มันเป็นหอกแหลมฮะปลายหอกแหลมนีช่วยเป็นงูได้ยังไงเออีกคนไปจับที่หางบอกไม่ใช่อนนี้มันเชือกออกคนไปจับที่ท้องบอกไม่ใช่มันกําแพง นี่แหละคือพวกตาบอดคาช้างถูกแต่ถูกแบบไม่ตรงกับความเป็นจริงถูกตามความรู้สึกนึกคิดถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมะของพระเจ้านี่ยังไม่ได้เป็นธรรมแท้เหมือนคนที่ยังไม่เห็นของจริงคนที่ ไม่ได้หลืมตาดูของหลับตาดูแล้วก็เอามือไปจับแล้วก็ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจึงมีคำพูดว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นคำสอนที่ความรู้ธรรมดาแได้ยินนี่ก็เป็นเหมือนสิบปากว่าแต่ความจริงที่เราได้สัมผัสจากการปฏิบัตินี่เหมือนเท่ากับหนึ่งตาเห็น ถ้าปฏิบัติแล้วมันจะความสงสัยในธรรมต่างๆนี่หายไปหมดนะแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัตินี่พอศึกษาธรรมแล้ว ส, สงสัยไปหมดสงสัยว่านิพพานเป็นยังไงศูนย์เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงงงไปหมดตายแล้วเกิดจริงหรือเปล่าตายแล้วไปสวรรค์มีสวรรค์สวรรค์อยู่ที่ไหน เขาส่งจรวดขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ไม่เจอสวรรค์ส่งเรือดำน้ำลงไปในใต้น้ำก็ไม่เจอนรกเอาเครื่องขุดเจาะลงไปในดินก็เจอแต่น้ำมันแล้วนรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนนี่คือพวกที่ไม่เข้าใจเรื่องของจิตใจเรื่องของจิตใจนี้ ไม่ได้หาไม่ได้ในโลกนี้เพราะจิตใจของพวกเรานี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้โคที่อยู่ในโลกนี้คือร่างกายร่างกายของเราเนี่ยที่เราเห็นกันด้วยตาเนี่ยอมาจากโลกนี้อยู่ในโลกนี้ทำมาจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟเออาหารที่เรากินเข้าไปก็มาจากดินะ ข้าวมันมาจากไหนชาวนาปลูกข้าวบนบนท้องฟ้าเลอชาวนาปลูกข้าวก็ต้องมีดินถึงแม้สมัยนี้เขาปลูกผักแบบไม่มีดินมันก็มีสารดินปนอยู่ในน้ำเคยเห็นวิธีปลูกปลูกผักแบบสมัยใหม่ไหมที่เขาไม่ต้องใช้ดินเขาใช้น้ำแต่น้ำนั่นก็มีธาตุดินผสมอยู่ถ้าน้ำเปล่าปลูกไม่มีวันขึ้น ต้องมีธาตุของที่จะทำให้ธาตุที่เป็นดินพวกไนโตรเจนพวกคาร์บอนพวกไฮโดรเจนเมื่อผสมกับน้ำมันก็ทำให้ผักเจริญเติบโตขึ้นมาได้นี่นี่คือร่างกายของพวกเราอยู่ในโลกนี้แต่จิตใจของพวกเรานี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ อยู่ในโลกทิพย์โลกทิพย์นี่เหมือนกับโลกอีกโลกหนึ่งที่ซ้อนติดซ้อนอยู่บนโลกธาตุโลกทิพย์นี่แหละเป็นโลกของจิตใจจิตใจของพวกเราทุกๆคนอยู่ในโลกทิพย์แต่เรามาเกาะกับร่างกาย เราก็เลยมารับรู้เรื่องของโลกนี้ผ่านทางร่างกายเราเห็นอะไรต่างๆได้เพราะร่างกายมีตาร่างกายมันก็ส่งลูกที่เราเห็นด้วยตานี้ไปให้จิตอีกทีหนึ่งจิตถึงจิตถึงรู้ว่ากำลังเห็นอะไรกำลรงกาลังเห็นคนเห็นต้นไม้เห็นอะไรต่างๆนี้ ผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นนี่ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ตาตาเป็นเพียงผู้รับภาพส่งไปให้ผู้รู้ผู้เห็นคือใจอีกทีหนึ่งเหมือนกล้องที่เราใช้ถ่ายรูปเนี่ยกล้องมันไม่เห็นอะไรหรอกมันไม่รู้อะไรหรอกชี้ไปตรงไหนมันก็ไม่รู้ว่ามันเห็นอะไรใครเป็นคนรู้คนเห็นคนถ่ายใช่ไหอคนถ่ายเห็นภาพรู้ว่ากำลัง จะถ่ายภาพอะไรกล้องมันไม่รู้หรอกตาของพวกเราก็เหมือนกันตาของเรามันไม่รู้หรอกว่ามันกำลังเห็นภาพอะไรตัวที่รู้ก็คือใจใจที่มาเกาะหรือมาเชื่อมต่อเหมือนกับมีปลัก๊กมีสายไฟมาเสียบใจมีสายมาเสียบที่ตามาเสียบที่หู เพื่อจะได้รับภาพทางตารับเสียงทางหูรับกลิ่นทางจมูกรับรสทางลิ้นและรับสัมผัสทางร่างกายส่งไปให้ใจอีกทีหนึ่งใจจึงรู้ว่าตอนนี้ร่างกายกําลังสัมผัสกับอากาศหนาวหรือร้อนกําลังดมกลิ่นอะไรอยู่ กำลังได้ยินเสียงอะไรอยู่ตัวรู้นี้คือใจตัวที่รับรู้ตัวตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันไม่รู้อะไรมันเพียงแต่ทำหน้าที่เชื่อมภาพให้ไปส่งไปที่ใจนั่นเองรับภาพมาแล้วก็ส่งไปที่ใจนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับใจร่างกายนี้อยู่ในโลกนี้ แต่ใจนี้อยู่อีกโลกหนึ่งเรียกว่าโลกเราใช้คําว่าโลกทิพย์เนี่ยโลกทิพย์นี้ก็เป็นโลกที่เราสามารถ เ, าเห็นได้ตอนที่เรานอนหลับเนี่ยตอนที่เรานอนหลับนี่เราเลิกใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมตาเราปิดใช่ไหมตาไม่รับภาพเนะแต่โลกทิพย์มันยังมีรูปเสียงกลิ่นรสให้ ให้ให้ให้ใจได้รับรู้ได้อยู่ evet. เวลาเรานอนหลับเราก็ฝันใช่ไหมเวลาเราฝันนี่เราเหมือนกับตอนที่เราตื่นไหมเราไม่รู้ว่าเราฝันใช่ไหมตอนที่เราฝันเวลาเราฝันนี่เราคิดว่าเรากำลังเหมือนกับตอนนี้เลยเหมือนกับตอนที่เรานั่งคุยกันอยู่ตอนนี้ evet. คิดว่ากำลังตื่นกำลังอยู่ในเหตุการณ์จริงๆ evet. แต่จะมารู้อีกทีว่าฝันก็ตอนที่ร่างกายลืมตาขึ้นมาพอร่างกายลืมตาขึ้นมามันก็เอาภาพทางตามากรอภาพทางฝันไป ท, ที่เราฝันมันก็เลยหายไปเพราะเราเริ่มมารับภาพทางตารับเสียงทางทางหูภาพทางในฝันก็เลยถูกกรบไปนี่คือ นี่คือโลกทิพย์เนเวลาที่เราไม่ได้ใช้ร่างกายเวลาเราให้ร่างกายพักผ่อนเนี่ยเรากลับเข้าไปในโลกทิพย์นะแล้วเราก็อยู่เหมือนกับอยู่ในโลกที่เราอยู่นี้แล้วก็ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นไปทำอะไรฝันดีก็มีความสุขฝันไม่ดีก็มีความทุกข์กัน ฝันไม่ดีก็ฝันเรื่องราวที่ทำให้เราทุกข์ทำให้เรากลัวทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราเจ็บฝันลายเหนี่ยวฝันลายแล้วก็ฝันดีฝันดีก็ได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ซื้อรถใหม่มาขับดีกว่ารถรถใหม่ตอนที่ตื่นรถรถในฝันนี่ดีกว่ารถรถที่เสียเงินในฝันนี้ไม่ต้องเสียเงิน ได้รถดีกว่ารถที่เราขับอยู่ตอนที่เราตื่นตอนที่เราตื่นแล้วขับรถราคาคันละล้านแต่เวลาเรานอนหลับนี่เราอาจจะขับรถราคาคันละยี่สิบล้านก็ได้แล้วทำไมำอะไรจึงทำให้เราฝันดีฝันไม่ดีเราไปสั่งมันได้ไหมเช่นคืนนี้เราจะนอนแล้วบอกคืนนี้ฝันดีหนะ่อยเนาะเอาให้สุดๆเลยเอาเรื่องเหมือนเราสั่งอยากจะดูหนังเรื่องนั้นดูหนังเรื่องนี้ เราสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้เพราะไม่รู้ว่ามันจะฝันเรื่องอะไรทำไมบางทีเราฝันร้ายาทำไมบางทีเราฝันดอีอันนี้พระพุทธเจ้าก็มีคำตอบนะพระเจ้าบอกที่ฝันดีก็เพราะได้ทําบุญที่ฝันร้ายก็ได้ทาบาป พราะอะไรเพราะเวลาเราทําบุญเราก็บันทึกเรื่องราวที่ดีเนี่ยเวลาที่เราทําบุญเราก็าตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยเป็นเครื่องบันทึกแล้วก็ไปถ่ายทอดก็ไปถ่ายบันทึกเอาไว้เหมือนเราไปถ่ายวีดีโอวันนี้เราไปเที่ยวกันหรือไปทําอะไรกันเราก็ถ่ายวีดีโอเก็บเอาไว้ดูเวลาเราตื่นเนี่ก็เหมือนกับเรากําลังถ่ายวีดีโอ เก็บเอาไว้ดูตอนที่เราฝันตอนที่เราถ่ายเรื่องที่ดีเวลาฝันมันก็มีเรื่องที่ดีโผล่ขึ้นมาเวลาไปทำเรื่องที่ไม่ดีเวลาฝันมันก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีโผล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วช่วงที่ฝันเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นโลกทิพย์เนี่ยแล้วก็ถ้าฝันดีท่านก็ว่าเป็นสวรรค์เนี่ยเข้าใจไหม ถ้าฝันร้ายก็เป็นอบายเป็นนรกเนี่ยนี่คือความหมายของสวรรค์ของนรกเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดในโลกทิพย์ในใจของพวกเราในขณะที่เราไม่ได้ใช้ร่างกายหรือไม่มีร่างกา ย, อยาตอนที่เรามีร่างกายแต่เราพักผ่อนนอนหลับ ให้ร่างกายพักผ่อนนอนหลับตอนนั้นก็เหมือนกับเราไม่ได้ใช้ร่างกายไม่มีร่างกายมันก็เหมือนกับตอนที่ร่างกายตายก็แบบเดียวกันเวลาร่างกายตายก็เหมือนกับตอนที่ร่างกายนอนหลับใจไม่สามารถใช้ร่างกายทำอะไรได้ใจก็เลยต้องใช้เรื่องราวที่ได้บันเทึกไว้ในตอนที่ตื่นนี่ามา มาดูมาชมพอไม่มีพอเวลานั่งกายนอนหลับใจก็เปิดวิดีโอที่ได้บันทึกไวมาดูหรือเวลาที่ร่างกายตายใจก็เปิดวิดีโอขึ้นมาดูเพียงแต่เลือกไม่ได้วิดีโอเราถ่ายอะไรไวมันก็จะเหมือนมันจะมีคิวของมันคิวของเรื่องดีคิวของเรื่องไม่ดีแล้วแต่ว่า อันไหนมันจะมีกำลังมากกว่ากันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเรียกว่านรกสวรรค์เนี่ย อ, อยู่ในใจเราอยู่ในขณะที่เรานอนหลับมันจะโผล่ขึ้นมาในตอนที่เรานอนหลับหรือตอนที่เราไม่มีร่างกายแล้วตอนที่ร่างกายตายไปแล้วทีวิธีเขาจัดคิวก็เขาก็จัดแบบ แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆเออคินหนังดีกับหนังไม่ดีฝันดีกับฝันไม่ดออีแล้วก็ดูว่ากลุ่มไหนมีพลังมากกว่ากันออถ้ากลุ่มที่มีพลังมากกว่าก็จะมีคิวฉายก่อนออกลุ่มที่มีพลังน้อยก็ต้องรอไปก่อน เ, ออ เ, ออเวลาเราตายเนี่ย เรื่องที่ดีที่เราทำไว้กับเรื่องที่ไม่ดีเราทำไว้มันก็จะมามามาทดสอบพลังกันหรือว่าเรื่องไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าเรื่องดีมีพลังมากกว่ากันก็จะฝันดีจะมีเรื่องดีมาฉายให้ดูก่อนถ้าเรื่องไม่ดีมีพลังมากกว่าเรื่องดีมันก็จะมีเรื่องไม่ดีมาฉายให้เราก่อน ดัน้ตอนที่เราตายเนี่ยก็จะเป็นตอนที่บุญกับบาปจะมาเป็นผู้ตัดสินว่าจะฉายหนังดีหรือจะฉายหนังะจะฉายฝันหนังดีหรือหนังไม่ดีถ้าเป็นหนังดีเราก็เรียกว่าสวรรค์ก็สบายช่วงนั้นก็ฝันแต่เรื่องดีๆถ้าเป็นถ้าบาปมีกำลังมากกว่ามันก็จะมีแต่ ฝันลายเรื่องที่ไม่ดีให้เราได้เสพได้สัมผัสในช่วงที่เราไม่มีร่างกายแล้วก็จนกว่ากำลังของบุญและบาปมันเท่ากันพอบุญและบาปเท่ากันมันก็ฉายเรื่องไหนไม่ได้ฉายเรื่องบุญก็ไม่ได้ฉายเรื่องบาปก็ไม่ได้เพราะมันเท่ากันตอนนั้นก็เป็นเวลาที่ ไปเกิดใหม่ไปรอรับร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาถ่ายทําหนังใหม่มาบันทึกหนังใหม่พอเราได้ร่างกายก็เหมือนได้เครื่องมือถ่ายทําภาพยนตร์พอได้ร่างกายมาเราก็ใช้ร่างกายนี้มาถ่ายทําภาพยนตร์ตามอํานาจของความโลภความอยากของพวกเราเราอยากจะดูอะไรเราก็ไปถ่าย เรื่องที่เราอยากจะดูแต่บางทีเรื่องที่เราไม่อยากจะดูไม่อยากจะทํามันก็ไปถ่ายเอาโดยมันถูกเหตุการณ์บังคับไปเช <c oughs> ่นมันไม่มีใครอยากจะทำบาปกันใช่ไหมแต่บางทีมันไม่มีเงินมันหิวข้าวไม่มีเงินมันทีก็ต้องไปขโมยเงินมา ไม่มีใครอยากจะทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่มันไม่มีความสามารถที่จะไปทำอาชีพอื่นได้มันก็ต้องเอาอาชีพฆ่าสัตว์ไปก่อนมาเกิดในครอบครัวพ่อแม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นชาวประมงนี่ก็ต้องไปเป็นประมงกับเขา <c oughs> พอเขาสอนวิธีหากินด้วยการทำประมงก็เลยต้องทำประมงไป แต่สมัยนี้โชคดีชาวประมงก็สามารถส่งลูกไปเรียนหนังสือได้ลูกๆ ก, ก็ไม่ต้องไปเป็นชาวประมงกันนะก็พอเรียนจบก็ไปทํางานทําการไม่ต้องไปทำอาชีพที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ไม่ต้องทําบาปได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือสถานที่ที่เราไปเกิดว่ามันเป็นอย่างไรมันเนี้อ เราเป็นเด็กเราจะไปทำอะไรเองไม่ได้ก็ต้องให้ผู้ใหญ่พาเราทำไปถ้าที่บ้านค่าเป็ดค่าไก่เราก็ต้องหัดค่าเป็ดค่าไก่ไปอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องไปทำบาปกันหรือบางคนมีนิสัยขี้เกียจไม่ชอบทำงานชอบลักขโมยอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึง่งถึงแม้จะไปอยู่ในครอบครัวที่ไม่ต้องลักขโมย แต่ก็ขี้เกียจทำงานชอบเที่ยวชอบกินชอบดิ่มชอบเล่นพอเงินหมดไม่มีไรายได้ก็ต้องไปขโมยเงินมาใช่อันนี้ก็ไปทำบาปกันพวกที่ทำบาปกันนี้ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องรับผลบาปไม่รู้ว่าการรับผลบาปนั้นเป็นอย่างไรก็คิดว่าทำบาปนี้ดีอยากจะได้อะไรก็ได้ คนที่ไม่ทำบาปเขาเรียกว่าโง่คนทำบาปนี่ฉลาดคนทำบาปถือว่ากล้าหารเก่งใช่ไหมกล้าขมโมยกล้าฆ่าคนฆ่าอะไรเพราะาคิดว่าไม่มีผลอะไรอย่างมากก็ถ้าถูกจับก็ถูกเข้าคุกเข้าตารางไปเท่านั้นเอง แต่ไม่รู้ว่าผลอย่างอื่นที่มันมาสร้างที่หนักหนาสาหัสกับการติดคุกนี่มนไม่รู้เวลาที่มันนอนหลับแล้วมันฝันร้ายนี่มันไม่รู้ว่ามาจากอะไรเวลาตายไปแล้วก็ต้องฝันร้ายยาวไปเป็นปีๆมันไม่รู้ว่ามาจากอะไรเนี่ยเพราะเรื่องของจิตใจนี้เป็ น, เ, ปนเรื่องที่เข้าใจยากเพราะจิตใจมันไม่มีรูปร่างให้เราเห็น ไม่เหมือนร่างกายนี้ยังพอเข้าใจได้แต่ถึงแม้มีร่างกายเราก็ยังไม่เข้าใจร่างกายของเราอย่างเต็มที่ใช่ั้ยเข้าใจเพียงส่วนนิดเดียวนั่นเองส่วนอีกเยอะแยะของร่างกายเราก็ไม่เข้าใจกันร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงเราก็ไม่รู้ร่างกายเรารักษาด้วยยาอะไรเราก็ไม่รู้ ต้องพวกที่เขาสนใจศึกษาจริงๆพวกหมอพวกอะไรเขาก็ยังไม่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายโายครคภัยไข้เจ็บบางอย่างเขาก็ยังไม่สามารถค้นคว้าหาได้ว่าทำไมมันเกิดขึ้นจากอะไรหรือเรื่องของความแก่ของร่างกายมันแก่ได้ยังไงก็ไม่มีใครรู้กันนี่ขนาดเป็นของที่เห็นด้วยตานะคือร่างกายยังไม่เข้าใจเยอะแยะไป หรืออวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายพวกเราก็มองไม่เห็นกันอะไรที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเนี่ยมีเ่อะแยไปหมดมองไม่เห็นกันแล้วจะมาเข้าใจเรื่องจิตใจที่ไม่มีรูปร่างเหมือนน่างกายได้อย่างไรยากถ้าไม่ได้เจอคนฉลาดเจอพระบร ม, มศาสดานี่เราเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระบร ม, มศาสดา พระอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถรู้เข้าใจถึงเรื่องของจิตใจได้จิตใจที่ไม่มีรูปร่างเพระพุทธเจ้าสามารถศึกษาได้ไม่รู้เอาอะไรมาศึกษาแต่ท่านก็ศึกษาเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถศึกษาถึงพลังของแรงดึงดูดของโลกได้ แรงดึงดูดของโลกเราก็มองไม่เห็นด้วยตาใช่ไหมแต่เขาก็สามารถศึกษาจนค้นพบว่าโลกนี้มีแรงดึงดูดที่ดึงให้พวกเรานี้ติดอยู่กับบนโลกนี้ถ้าไม่มีแรงดึงดูดนี้พวกเราก็จะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ากันหมดแล้วตอนนี้อันนี้คือปัญญาปัญญานี่เป็นสิ่งที่ ลึกล้ำลึกยิ่งกว่าตาตานี้เห็นอะไรแต่เห็นแล้วบางทีก็ยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอย่างไรแต่ด้วยปัญญานีเราสามารถที่จะเห็นที่จะเข้าใจกับสิ่งเรื่องราวต่างๆไดพพ้พระพุทธเจ้าของเรานี่ทรงเป็นผู้เลิศในปัญญาปัญญาทางร่างกายนี้ท่านรู้ตั้งแต่ตอนที่ท่านยังไม่บวช สมัยที่ตอนท่านเป็นเด็กนี่พ่อก็ส่งครูส่งอาจารย์มาสอนพระพุทธเจ้าสอนไปสอนมากับถูกพระพุทธเจ้าสอนกลับอรูจารู้มากกว่าสิ่งที่ครูส่งมาสอนครับนี่เป็นความรู้ที่ติดมากับใจคือปัญญานี้มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความรู้ความฉลาดของคนเรานี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่ ถ้ามาจากพ่อแม่ลูกทุกคนต้องฉลาดเท่ากันใช่ไหมแต่ทาไมลูกบางคนฉลาดลูกบางคนง่องก็เพราะว่ามันไม่ได้มาจากพ่อแม่มันไม่ได้มาทางร่างกายมันมาทางใจปัญญาคือความรู้เนี่ยมันมากับความคิดความคิดความคิดมันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย แล้วเวลาร่างกายตายไปความคิดนี้ก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย mm hmm. เคยฉลาดยังไงมันก็ยังฉลาดต่อไปเคยโง่มันก็จะโง่ต่อไปมันจะหายโง่ได้ก็ต่อเมื่อมันรู้จักคิดคิดไปในทางที่ฉลาด mm hmm. คิดไปในทางที่ตรงกับความเป็นจริงค่ะเธอเนี่นี่คือปัญญาของพระพุทธเจ้า ที่ได้ส่งสะสมมาในแต่ละภพแต่ละชาติเหมือนกับที่เราเรียนหนังสือมาหลายสิบปีเนี่ยก็เป็นการสะสมปัญญาใช่เข้าโรงเรียนปีแรกก็เข้าอนุบาลแล้วก็สะสมความรู้ในระดับอนุบาลแล้วก็ขยับขึ้นระดับประถมระดับมัธยมถ้าใครหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ความรู้แค่นั้น ใครจบปฐมแล้วก็ไม่เรียนต่อก็ได้ความรู้แค่ระดับปฐมสูคคม้คนที่มีความรู้ระดับมัธยมไม่ได้คนมีความรู้ระดับมัธยมนี่ก็รู้มากกว่าคนรู้ระดับปฐมคนที่จบปริญญาตรีก็รู้มากกว่าคนจบระดับมัธยมความรู้มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราศึกษาขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะรู้มากขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างที่พวกเรามาฟังเทศฟังธรรมกันทุกวันเนี่ยเราจะรู้มากขึ้นไปเรื่อยเชื่อไหมลองย้อนกลับไปดูวันแรกที่เรามาเริ่มศึกษาดูแล้ววันนี้เปรียบเทียบกันเดี๋ยวนี้เราฟังเทศฟังธรรมนี้เราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นวันแรกแกฟังแล้วบางทีไม่เข้าใจเลยทั้งภาษ า, ท, ท, าทั้งทั้งทั้งทฤษฎีที่มันแปลกที่มันใหม่ ที่เราไม่เคยคิดมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนคือทฤษฎีทางจิตใจเนี่ยเป็นทฤษฎีที่เราไม่เคยไม่ได้เรียนรู้ในในทางโลกกันทางโลกเขาไม่มีทฤษฎีทางจิตใจมีแต่ทฤษฎีทางร่างกายทางวัตถุสิ่งของต่างๆแต่ทฤษฎีทางจิตใจนี้ไม่ได้ไม่ได้สอนพอเรามาศึกษาในเบื้องต้นเราก็งง พูดว่าจิตใจนี่เราก็งงไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรพูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เราก็งงคิดเรื่องตายแล้วไปเกิดใหม่เราก็งงนะนี่เรื่องจิตใจทั้งนั้นแหละที่พูดถึงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายเลยจิตใจนี่แหละที่ไปนรกไปสวรรค์จิตใจนี่แหล ะ, ท, ลรรละที่ไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่อันนี้ต้องค่อยๆมาศึกษาฟังเรื่อยๆ ฟังบ่อยๆแล้วมันก็จะเริ่มเข้าใจแล้วอยากจะเข้าใจอย่างดีชัดเจนนี้ต้องไปปฏิบัติเหมือนพวกคนตาบอดคำช้างเนี่ยถ้ามันลืมตาได้มันจะเห็นตัวช้างอย่างชัดเจนแต่ถ้าไม่ลืมตาเอามือไปคำก็จะยังเข้าใจผิดอยู่ เนการศึกษาถึงแม้ว่าจะเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วก็ยังยังอาจจะเข้าใจผิดได้ถ้าเราไม่ไปปฏิบัติพวกที่ศึกษาแล้วฟังว่านิพพานศูนย์นี่ก็ไม่เอาแล้วปฏิบัติถึงนิพพานแล้วศูนย์เนี่ยไม่ไม่อยากจะศูนย์เมื่อเป็นภระรหันแล้วถ้าต้องบวชต้องบวชถึงจะอยู่ต่อไปได้ ถ้าไม่บวชก็ต้องตายหลังจากที่ได้เป็นผ้าหันเจ็ดวันกูไม่ไปดีกว่าเพราะกูยังไม่พร้อมที่จะบวชยังรักเมียยังรักลูกอยู่เนี่ยเนี่ยคือพวกที่ศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติเข้าใจไหมยังหลงทางได้ยังหลงผิดได้อยู่ต้องศึกษาแล้วปฏิบัติด้วยแล้วถึงจะรู้ว่าเวลาจิตสงบเวลาจิตปราศจากกิเลสนี่มันเป็นอย่างไร มันเป็นความสุขเหลือเหลือเหลือกว่าความสุขทั้งปวงเอความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ไม่ได้อยู่ในสิ่งต่างๆไม่ไดีอยู่ที่ข้าวของเงินทองไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้คน น, นคนนั้นคนนี้เอแต่อยู่ที่ใจที่สงบนี่แหละเอที่จะต้องเกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นอือยู่ดีๆบอกใจไปสั่งใจว่าให้สงบหน่อยซิวะ อยากดูแลเกินว่าความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นยังไงสั่งไม่ได้ซื้อไม่ได้ออกดโทรศัพท์มือถือสั่งทำใจให้สงบหน่อยสออิถ้าใครมีแอปนี้ก็ดีนะรวยมหาศาลเลยใครผลิตแอปที่ทำให้ใจสงบได้เพลงแต่เพ่งดูที่จอแล้วก็กดปั๊บใจก็สงบออมันไม่มีมันต้องทำเอง มันต้องใช้สติสตินี้ซื้อไม่ได้สตินี้ต้องใช้ความเพียรพยายามสร้างมันขึ้นมาสร้างด้วยการควบคุมใจบังคับใจให้มันอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวเช่นให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวหรือให้มันเท่งอยู่กับลมหายใจถ้านั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจ ถ้าเดินหรือทำอะไรจะใช้พุทโธก็ได้จะใช้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ให้อยู่กับเรื่องนั้นอย่างเดียวอย่าเดินไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนี้เรียกไม่เรียกว่าเพ่งไม่เรียกว่าเป็นการเจริญสติการเจริญสติต้องอยู่เรื่องเดียวให้รู้เฉยๆให้รู้อยู่กับเรื่องนั้นไม่ให้คิดปรุงแต่ง คิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้คิดถึงสิ่งนั่นคิดถึงสิ่งนี้เอให้หยุดความคิดปรุงแต่งเป้าหมายของการเจริญสติก็คือหยุดคิดปรุงแต่งนี่คือสติที่เรียกว่าสัมมาสติสติที่ถูกต้องต้องเป็นสติที่ไม่ใช้ความคิด ถ้าสติที่ใช้ความคิดนี้ไม่ถูกต้องเช่นเรามีสติในการทำงานคิดหาเงินหาทองคิดบัญชีคิดออกแบบคิดอะไรนี่ก็ต้องใช้สติมีสติจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เวลาทำงานใช่ไหมเวลาคิดบัญชีจะไปคิดแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวที่ไหนมันคิดไม่ได้มันต้องคิดอยู่กับเรื่องการทาบัญชีอย่างเดียว อันนี้ก็ต้องมีสติแต่สติแบบนี้ไม่ใช่สัมมาสติเพราะมันเป็นสติที่มีความคิดปรุงแต่งสติที่จะทําให้จิตสงบนี่ต้องเป็นสติที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งต้องอย่าใช้ความคิดปรุงแต่งให้รู้เฉย เช่นเวลาเราทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเช่นอาบน้านี่ไม่ต้องใช้ความคิดให้รู้เฉยๆว่ากำลังอาบน้ากำลังล้างหน้ากาลังแปรงฟันกำลังหวีผมกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวกำลังรับประทานอาหารเนี่ยนี่งานแบบนี้เราสามารถจเจริญสติได้สติที่ถูกต้องได้แต่งานที่ต้องใช้ความคิดนี่เราไม่สามารถ เจริญสติที่ถูกตั้งได้เพราะเราต้องใช้ความคิดเช่นเราต้องวางแผนว่าอาทิตย์หน้าเราจะต้องมีโปรเจกต์อะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างต้องจัดการให้ใครเป็นหัวหน้าจัดทีมไหนทําอะไรอย่างไรเนี่ยอันนี้ต้องใช้ความคิดเนี่ย การมีสติอยู่กับการทำงานแบบนี้ไม่ไม่ได้เป็นสัมมาสติไม่สามารถพาให้เราไปนั่งสมาธิแล้วสงบได้พราะเวลานั่งสมาธิมันก็จะไปคิดถึงแผนงานที่เรากำลังที่เราได้ทำผ่านมาเนี่ยคนที่ทำงานที่ใช้ความคิดมากๆเวลาจะมานั่งสมาธินี้นั่งไม่ได้ล่ะ นั่งแล้วงานยังเข้ามาอยู่ทั้งๆ ท, ที่เขาไม่จ่ายงะเขาไม่จ่ายโอทีให้ก็ยังทำงานอยู่เนะี่ยเพราะใจเวลามันคิดแล้วมันหยุดไม่ได้มันเหมือนรถวิ่งลงเขาอะรถวิ่งลงเขาไ ม, ไม่ยอมหยุดเองเหรอกถ้าเราไม่เหยียบเบรคเราต้องเยียบเบรกเหยียบเบรกมันถึงจะหยุดได้ เราต้องมีสติแบบไม่คิดถึงจะหยุดมันได้เช่นพุโทโธพุธโทโธใส่มันเข้าไปแต่มันอยากคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็ถึงจะหยุดได้นี่ถึงจะเรียกว่าสัมมาสติการจเจริญสติทั้งวันนี้หมายถึงสติที่ไม่คิดปรุงแต่ง ถาคิดปุงแต่งนี้ไม่ใช่เป็นสัมมาสติเพราะมันจะไม่สามารถนำมาทำให้มีสัมมาสมาธิได้คือทำให้จิตสงบจิตให้นิ่งให้จิตมีความสุขอันยิ่งใหญ่ได้ให้เราได้เห็นกับตาของเราเองว่าไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราจะรู้จักจิตของเราเราจะเริ่มเข้าใจจิตของเราว่ามันเป็นอย่างไร จะดูแลมันอย่างไรจะทำอย่างไรที่จะทำให้มันผลิตแต่ความสุขขึ้นมาอันนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติแต่การได้ยินได้ฟังก็สำคัญเพราะถ้าไม่ได้ยินได้ฟังก็จะไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนถ้าเราไม่ได้เรียนหนังสือเรียนทางบัญชีเวลาจบไปสบัก ง, งานทาบัญชีเขาไม่จ้างเราหรอ บอกว่ารายได้รายรับทํำยังไงก็ไม่รู้แล้วไม่เข้าใจแล้วจ่ายภาษีหักภาษีแหวนยังไงก็ไม่รู้แล้วทำยังไงแล้วอถ้าไม่ได้เรียนมาก่อนอยังต้องเรียนมาก่อนเรียนมาแล้วก็ไปทำํำเวลาทําใหม่ๆก็ยังอาจจะทําผิดผิดถูกถูกอยู่ต้องอาศัยพี่เลี้ยงอาศัยคนที่เขาชํานาญที่เขาทําอยู่ประจํามาตรวจดยอีกทีว่าทําถูกหรือผิดใช่ไหมผิดก็จะได้บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ถูก ไม่ถูกเพราะอะไรแล้วก็เรียนรู้ต่อไปถึงจะสามารถทำทาให้ถูกได้ต่อไปง <c oughs> ั้นก็มีการเรียนก็สำคัญการปฏิบัติก็สำคัญ พะเรียนอย่างเดียวไม่ทำให้เกิดผลขึ้นมาเรียนแล้วต้องปฏิบัติเนี่ยอยากจะรู้จิตอยากจะพบจิตอยากจะรู้ว่าโลกที่เป็นยังไงต้องมานั่งสมาธิจะนั่งสมาธิได้ก็ต้องฝึกสติก่อนจะเริญนสติให้มากหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้จิตนิ่งก็จะเห็นจิตเหมือนปิดปิดทีวีได้ พอปิดทีวีก็จะเห็นตัวจอใช่หไหมเวลาเปิด TV ทีวีนี่จอหายไปมีแต่ภาพบนจอมามากรบมาทับอยู่ถ้าอยากจะเห็นตัวจอก็ต้องปิดปิดทีวีถ้าอยากจะเห็นตัวจิตก็ต้องหยุดความคิดปรุงแต่งนความคิดปรุงแต่งนี่เป็นเหมือนภาพบนจอทีวีอืมถ้าอยากจะเห็นจอทีวีก็ต้องปิดภาพมันก็จะได้หายไป ถ้าอยากจะเห็นตัวจิตก็ต้องหยุดตัวเคลมคิดปรุงแต่งหยุดอารมณ์ต่างๆความรู้สึกนึกคิดต่างๆแล้วก็จะเหลือแต่ตัวรู้แล้วเราก็จะได้รู้จักว่านี่แหละคือจิตเป็นอย่างไรแล้วมีความสุขอย่างไรเวลาที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งแล้วมันก็จะทำให้เราเข้าใจวิธีหาความสุขที่แท้จริงต่อไปก็เลืิกไปหาซื้อรถคันใหม่ ซื้อลาวไม่กี่ปีก็เก่าเดี๋ยวก็ต้องซื้อใหม่หาแฟนเดี๋ยวได้มาแล้วเดี๋ยวก็เก่าเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนแฟนใหม่ซื้อไอโฟนมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่มันมีแต่เก่าไปเรื่อยความสุขที่ได้จากของใหม่ก็หายไปเขาเรียกเก่าใหม่ๆ ห, หน้าตาจุมจ๋มจิ๋มเก่าๆ เ, เป็นสนิมเออนี่คือสิ่งที่เราหากันในโลกนี้ หากันเท่าไหร่ก็ไม่มีวันได้ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะต้องหายไปทำให้เราต้องดิ้นหาใหม่อยู่เรื่อยๆตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าได้ความสุขที่พทธเจ้าได้ส่งค้นพบแล้วไม่ต้องหาอะไรอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปอยู่เฉยๆอยู่กับความสุขนั้นไปตลอด ไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือนิบบานังปรมังสุขขังนะขอให้เราศึกษารับปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับนิบบานังปรมังสุขขังเหมือนกับที่มหาวิทยาลัยเขารับรองใครมาเรียนที่นี่แล้วรับรองเดี๋ยวก็ได้ปัญญาทุกคนถ้าไม่ขี้เกียจไม่หนีโรงเรียน นี่สำคัญตรงนี้อย่าหนีโรงเรียนอย่าขี้เกียจตั้งใจทำหน้าที่ของเราศึกษาปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าปฏิเวทคือปริญญาก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวารรวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลาังเอวเมวะอิต ทินางเปตานางอุปการปฏิอิชิตตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจจตุสับเพยโปเรนตุสังกปาจันโทปนาหราโสยธามณีโชติหราโสยธาสัพพิติโยวิวัชานโต สัพพโรโควินาสตุมาเตภวตุอันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลสะนิจังวุทฒาปจายโนจตารโหธรรมวทานติอายุวันโอสุขังภาณัง วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับวันนี้ทางเ c e b o o k เข้ามา430ทางย t u b บ172วิทยุออนไลน์22รับฟังข้างบนนี้43คนรวมทั้งหมด667คนครับเกือบตองหกนะเลยปตัวเดียววันนี้ใกล้ตองหก ทีนี้มีตัวเลขสองตัวตองห้ากับรองหก <laughs> ใครอยากจะถามอะไรไหมฟังแล้วเออเมื่อไขาประจำคำถามมีไหมไม่มีไม่มีมีหรือเปล่าดูอยากถามว่าถามได้ใครอยากถามถามได้โยมอยากจะกลับเรียนถามอาจารย์ว่า จิตของคนเรานี่ค่ะมันลืมภูมิเก่าไหมคะเหมือนพ า, าเรากลับมาเกิดใหม่พูดยกายปากอาภูมิหมายถึงว่าคนเราเวลา เ, ลาเกิดมาชาติเนี้ค่ ะ, ะจิตดวงเดิมอ ะ, อะมันจะลืมภูมิมเก่าบางคนก็ลืมบางคนก็ไม่ลืมพระพุทธเจ้านี่รับรกชาติได้ ชาติก็ภูมิเก่าเคยเป็นลิงเคยเป็นช้างเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเคยเป็นอะไรมาพระเจ้าสิบชาตินี่ก็ภูมิเก่าของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระมหาอะไรชนกเป็นพระเวสสันดรพระเตมีอะไรเนี่ยก็เป็นภูมิเก่าของพุทธเจ้าแต่พวกเรามันเป็นพวกความจําเสื่อม ความจำสั้นเมื่อวานนี้กินอะไรยังจำไม่ได้เลยแล้วไปจำภูมิเก่าได้ไง่อนเจาจำได้ต้องมีความจำที่ดีแล้วก็สมาธิต้องเข้าสมาธิถึงจะระลึกชาติได้เพราะมันมเป็นความจำที่มันถูกฝังอยู่ในใจลึกเข้าไปมากเหมือนอยู่ในถ้าของไอเด็กสิบสามคนนะสิบสองคนนะเข้าไปนี่ต้องดำน้ำเข้าไป ต้องใช้เครื่องประดาน้าเข้าไปถึงจะเข้าไปถึงความจำเก่าๆต้องมีสมาธิมีสติที่มีกำลังมากถึงจะสามารถดันจิตเข้าไปค้นหาความจริงของเราในอดีตได้เห็นคนที่ปฏิบัติจึงไม่บางคนถึงแม้ว่าจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ล้งลึกชาติไม่ได้ก็มีบางคนมีพลังมากมากกว่า พลังที่ต้องใช้ให้เป็นพระราหาันพลังที่เรียกว่าอิทธิปาฏิหารต่างๆอย่างพระโมคคัลลานะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอิทธิฤทธิปาฏิหารแต่พระเวแต่พระสาวริบุตรนี้ไม่มีมีทางมีทางปัญญาเฉะนั้นแต่ละคนนี้จะมีบา ร, รมีไม่เหมือนกันบางคนมีบา ร, รมีทางระลึกชาติก็จะระลึกชาติได้บางคนไม่มีก็ระลึกไม่ได้ กาบเรียนถามอีกค่ะว่าอย่างบางคนที่ที่เขาเกิดมาเขาสามารถเหมือนพูดอีกภาษาหนึ่งได้อันนี้มันเป็นเรื่องจริงไหมคะอ้าวก็ก็เขาพูดแล้วจะจริงไม่จริงนะก็ก็เห็นกับตาแล้วมาถามเล่อยนี่เป็นภาษาอะไรภาษามั่วหรือภาษาจริงก็ไม่ดูเพราะพวกที่เข้าส่งนี้มักจะมีพูดภาษาแปลกๆอาจจะเป็นภาษาลิงภาษาช้างหรือภาษาอะไรก็ นี่ยก็แล้วแต่เขาเราก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกขามก็แล้วกันเออคือของบางอย่างที่เรารู้นี่ไม่จําเป็นจะต้องรู้ก็ได้รู้ก็ได้สิ่งที่เจ้าอยากให้เรารู้ก็แค่พระอริยสัจสีเท่านั้นให้รู้ตายรักรู้อริยสัจสีเพราะมันเป็นประโยชน์กับเราแต่อย่างอื่นนี่รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้รู้ว่าโลกนี้มีกี่จักรวาลก็ได้ไม่รู้ก็ได้ รู้ว่าอ่วันเพ็ญ น, นี้จะมีอมีอลไรจันทราค้าหรือไม่ก็รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้มันไม่ได้มาทําให้ความทุกข์เราหายไปหรอกให้รู้ความความรู้ที่ทําให้ความทุกข์เราหายไปดีกว่ารู้ว่าไม่เที่ยงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเห็นอะไรไม่เที่ยงก็จะก็ไม่ยึดพอไม่ยึดมันก็จะไม่ทุกข์เนี่ยให้ดังนั้นมีความรู้มากมายในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เคยเคเอาใบไม้ขึ้นมาในกํามือแล้วถามว่าใบไม้ที่ในกํามือเรากับใบไม้ที่อยู่ในป่าเนี่ยอันไหนจะมากกว่ากันคนก็ตอบว่ามันต้องใบไม้ในป่าสิใบไม้ในไม่มือมันจะมีมากเท่าใบไม้ที่อยู่ในป่านี่ได้ยังไงพระเจ้าก็บอกว่าความรู้ที่เรารู้เนี่ยเหมือนใบไม้ในป่าเนี่ยแต่ความรู้ที่เอามาสอนพวกเธอเนี่ยมันแค่เป็นความมืดในกํามือกันนี้เท่านั้นเอง แต่เป็นความรู้ที่สำคัญที่จะทำให้พวกเธอหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ส่วนความรู้ที่ไม่เกี่ยวกับการทำให้เธอหลุดพ้นเราไม่มาสอนให้เสียเวลาเข้าใจไหมอย่างงั้น อ, อ, อย่าไปสนใจเวลาใครเข้ามาอวดรู้อวดอะไรถ้ามันเป็นความรู้ที่ดับความทุกข์ไม่ได้ก็ช่างปล่อยมันไปหรือฟังหูไวหูหรือดูไวใช่ว่าใส่วาแบกค้ามไป อย่าไปหลงอาจจะถูกหลอกก็ได้ถ้าไปหลงเชื่ออาจจะถูกหลอกคำถามจากเ c e b o o k นะครับจากคุณโทมี่กราบพระอาจารย์ค่ะขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายเรื่องรูปประชานรอรูปปัจจันที่เกี่ยวข้องกับการละรู ป, ป ร, ราคาและอรู ป, ป ร, ราคาอย่างไรเจ้าคะ คือรู ป, ปราคะก็คือความยินดีในรูปประชานราคะแปลว่าความยินดีความชอบความรักความใคร่รู ป, ป ร, ราคะก็มีความชอบมีความเหมือนคนชอบกินเบียอย่างเงี้ยก็เรียก่็เบียเ ร, ร, ราคะอะารถ้าวิสกี้ก็วิสกี้ ร, ราคะถ้าชอบชาเนี่ยคนนั่น ชอบความสงบระดับรูปฌานก็เรียกว่ารูปราคะคนที่ชอบความสงบระดับอรูประอรูปฌานก็เรียกว่าอรูปราคะชานี้มันมีความละเอียดต่างกันความสงบต่างกันรูปฌานสี่กับอรูปฌานสี่อรูปฌานนี่ละเอียดกว่ารูปฌานถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเสียงเสียงจะเบากว่ากัน เสียงของรูปฌานนี้จะดังกว่าเสียงของอรูปฌานถ้าเราต้องการให้เสียงหายไปเลยนี้ต้องเข้าไปขั้นให้เรียกว่านิโรธคือขั้นนิโรธคือดับหมดเลยแต่ขั้นอรูปฌานนี้ยังมีเสียงค่อยๆอ ย, อยู่แล้วดังขึ้นมาหน่อยก็เสียงระดับรูปฌานแล้วพ อ, อ, อจากฌานมาก็เสียงที่เราได้ยินทางหูนี่ในนี้พูดเปรียบเทียบคือ ฌานนี้เป็นความสง บ, เ ป, บเปรียบเหมือนเสียงแต่เป็นความสงบที่ให้ความสุขต่างกันยิ่งสงบมากก็ยิ่งสุขมากเหตนั้นพระที่เป็นพระอนาคามีเนี่ยจิตของท่านจะสามารถเข้าสู่รูปฌานหรืออรูปฌานได้เพราะว่าจิตของท่านละเอียดท่านได้กำจัดตัวหยาบคือกิเลส ต, ตัวหยาบคือการมาราคะ พอตัวกิเลสการมาราคะถูกกําจัดไปจิตไม่ติดในการมาราคะก็ไปติดในอรูปรราคะกับอรู ป, ปราคะแทนจิตของพระนาคามีนี้จะสงบอยู่ในระดับฌานสองระดับนี้รูปฌานหรืออรูปฌานแล้วพอสงบก็ติดเกิดราคะขึ้นมาเกิดความติดเกิดความอยากขึ้นมาแต่ ฌานทั้งสองระดับนี้ก็เป็นอ น, นิจจังเหมือนสมาธิที่เรานั่งเนี่ยเวลาเข้าสมาธิมันก็สุขพอออกมามันก็หายไปแต่ใจมันจะติดมันอยากจะกลับเข้าไปอยากจะให้มันสุขอีกเนี่ยพอยังไม่เข้ายังไม่ได้ก็ใจก็ไม่สบายใจทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันพระนาคามีนี่บางทีจิตของท่านก็อยู่ใน รูปฌานบางทีก็อยู่ในรูปฌปานบางทีก็ออกมาจากรูปปฌานอรูปประชาพอออกมาท่านก็เกิดรูปราคะอรูปราคะขึ้นมาอยากจะให้มันสงบใหม่อยากจะกลับเข้าไปหามันใหม่พอยังเข้าไม่ได้มันก็ทุกข์ขึ้นมาก็เลยเป็นสังโยชน์รูปรคาคะอรูปรคารประคะก็เหมือนละกามราคะกามราคะคือก็อยากจะเสพกาม อยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากจะหลับนอนกับแฟนอย่านี้พอไม่ได้หลับนอนก็หงุดหงิดนำคาใจขึ้นมา mm hmm. นี่ก็ต้องกำจัดตัวนี้ mm hmm. อย่าไปกำจัดการมรารคะก็ดูอัศวะพอ เ, เห็นร่างกายของแฟนเป็นซากศพไปก็ความอยากจะเสพกามก็หายไปจะแม้เวลาแฟนตายไปจะเก็บไว้ในบ้านหมห้ยังจะนอนกันอีกัหม mm hmm. พอไม่มีลมหายใจแล้วก็ไปแล้วใช่หมหยกให้สับเปลเรานะ <c oughs> อันนี้เหมือนกันการที่จะเลิกเสพรูปราคะอรูปราคะก็ต้องพิจารณาไตลักษณ <c oughs> ์ว่ารูประว่ารูปชานรูปชานก็ไม่เที่ยง <c oughs> มีเกิดแล้วก็มีดับมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเป็นอนัตตาไปสั่งมันไม่ได้ <c oughs> บางทีมันก็สงบบางทีมันก็ไม่สงบ <c oughs> อันนี้คือการพิจารารูปฌานกับรูปฌานเพื่อให้ละรูปราคะกับอารูปราคะคือมันจะสงบก็โอเคไม่สงบก็โอเคพูดง่ายๆเหมือนกับเราเข้าสมาธิก็ได้ไม่เข้าสมาธิก็ได้เราต้องฝึกจิตให้มันสงบแบบที่ไม่ต้องเข้าสมาธิให้ได้ก็คือตัวที่ไม่ทำให้เราหุดยิ้คืออะไรก็คือความอยากก็ตัดความอยากตัวนั้นไป พอเราตัดความอยากที่จะให้จิตเข้าเข้าไปในฌานพอตัดตัวนี้ไปจิตมันก็สงบโดยที่ไม่ต้องเข้าฌานมันก็เลยมันก็เลยละรูปราคะอรูปราคะได้พอจะเข้าใจไหมคำถามจากคุณสุวิมนขอโอกาสให้พระอาจารย์บอกเหตุและผลของบาปครับ บาปก็ร้อนไงทำบาปแล้วใจร้อนไหมหรือเย็นเหมือนมีอะไรทิ่มแทงใจทำบุญแล้วใจเย็นมะสุขไหมสบายไหมเนี่ยก็คือผลเห็นที่เห็นทันตาเห็นปัจจุบันทันด่วนทำบุญใส่บาปปั๊บในี่ใจเย็นสบายมีความสุขได้ช่วยเหลือใครนี้มีความสุขไหม คำว่าบุญก็คือการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นทาเวลาทำให้คนอื่นเขามีความสุขนี่เรียกว่าบุญพอพอเราเห็นเขามีความสุขจากการกระทําของเราก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาอันนี้คือบุญแต่ทางตรงข้ามถ้าไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนทำให้เขาเจ็บทำให้เขาเสียหายเราก็ใจก็ร้อนขึ้นมาใจเราก็เจ็บขึ้นมา นี่คือบุญกับบาปผลของบุญกับบาปในปัจจุบันตอนตื่นตอนหลับก็จะฝันดีฝันร้ายทำบุญนอนหลับก็จะฝันดีทำบาปนอนหลับก็จะฝันร้ายถ้าตายไปเวลาไม่มีร่างกายก็จะฝันยาวฝันดีก็เรียกว่าไปสวรรค์ฝันร้ายก็ไปอบายนี่อยู่ในความฝันมันไม่ได้อยู่เป็น โลกกระบายไม่ได้เป็นเหมือนเชียงใหม่ภูเก็ตที่เราจะไปเจอกันที่นั่นเนี่ยไม่เจอกันหรอกโรคใครโลกมันแต่เราจะเจอกันในความฝันไงเพราะตอนตื่นเรามันทึกภาพของแต่ละคนไว้ใช่ไหมพอนอนหลับเราก็ไปเจอกันในตอนฝันอีกแล้วเวลาตายเราก็ไปเจอกันในตอนตอนที่เราฝันเนี่ยเราก็ยังเจอกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยหลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ฝันถึงกันลวกันอยู่นั่นเน่ย พอมารวมงานกันมาทํางานกันมาเจอกันบ่อยๆเนี่ยมันก็ฝันถึงกันอีกเชื่อไหมอ่าง้นเราไม่เราไม่มีวันจากกันหรอกเราเราต้องเจอกันไปอีกนานง้นไม่ต้องกลัวหรอกเวลาเราตายไปเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้หายจากพวกคนที่เรารู้จักครับเรายังต้องเจอทั้งเพื่อนทั้งทั้งศัตรูศัตรูก็จะเจอถ้าเราเจอกันบ่อย ถ้าเราเจอกับใครบ่อยๆมันก็จะติดอยู่ในฝันของเราเนี่ย น, นี่คือผลบุญผลบาปที่เราทํากันคําถามจากคุณนนมีวิธีแก้ความฟุ้งซ่านไหมครับก็สติไงก็พุโทโธเนี่ยทําไมไม่ท่องพุโทโธพุโทโธไปเลยพุโทโธพุโทโธมันก็ฟุ้งไม่ได้แล้ะที่มันฟุ้งพอปล่อยมันให้คิดเนี่ยหยุดคิดสิพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป ที่มันพุโทโธไม่ได้ก็เหมือนกับคนที่ไม่รู้จักว่ายน้ำํำไม่เคยหัดว่ายน้ําพอโยนลงน้ําก็จมน้ําว่ายไม่เป็นคนที่พุทโธไม่เป็นเวลาฟุ้งซ่านก็ก็หยุดมันไม่ได้เฉะนั้นตอนนี้เราพุโทโธไม่เป็นเราต้องมาหัดพุทโธก่อนจะมาใช้ตอนที่มันฟุ้งซ่านใช้ไม่ได้หรอกพุโทโธได้สองคำก็หยุดแล้วนี่เราต้องมาหัดพุทโธบางครั้งเป็นพุทธโธได้นานๆพุโทโธทีละครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ย เดือยวไม่ใช่นั้นก็สวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ก็เหมือนกับพุโทโธเนี่ยสวดมนต์ไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ได้เหมือนกับพุโทโธพุธโทโธมันง่ายกว่าท่านั้นมันไม่ต้องจำํำแต่ถ้าเราจําได้เอาเลยเราจําบทไหนได้เอติปิโสเขาถึงมีอุบายให้เราสวดสวดอิติปิโสตามอายุไงเป็นอุบายให้หลอกให้เราหัดหัดช่างสติจะได้หยุดความฟุง้งซ่านไม่ใช่อะไรหรอก อย่าไปคิดว่าสวดอิติปิโสเราจะรวยจะได้รถใหม่จะได้ผัวใหม่เมียใหม่ไม่ใช่มันจะได้ระงับความทุกข์ความวุ่นวายใจแต่มันไม่ไม่รู้กันอ่ะแต่นักป่ามันก็ต้องใช้อุบายอย่างน a ้แห t ะหลอกต้ e งมีของหลอกของ t ่อมันมันถึงจะพูดโทรได้นี่ท่านเราบอกถ้าพูดโทรงวดนี้ถูกลอตเตอรี่นี่คงพูดโทรพูดโทกัน เอาไหมาขายพุโทโธได้งวดนี้ถูกหวยแนะ่ๆนะแต่ต้องพุโทโธชั่วโมงยังนะ อ, อย่าหยุดนะอลองพุโทโธสักชั่วโมงดูรับรองได้งวดนี้ถูกหวยแน่ๆนะนะนะ นี่ก็คือวิธีระงับความคิดปรุงแต่งใช้พุทธโธใช้บทสวดมนต์ถ้าเรายังไม่มีกำลังที่จะบังคับให้จิตมันเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราได้เราก็ต้องใช้การสวดการท่องไปก่อน <Yeah. S 2> อย่ต้องท่องในสิ่งที่ทำให้ใจเราเย็นบทสวดมนต์นี่ทำให้เย็นพุทธโธนี้ทำให้เย็นอย่าไปท่องเรื่องเรื่องนี่เรื่องอะไรต้องท่องในเรื่องที่ทาให้ใจเราเย็น yeah. คำถามจากคุณปอขอกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าโลกทิพย์เขาได้ทำมาหากินกันไหมครับแล้วกินอยู่กันอย่างไรก็นั่นแหละในความฝันเราเนี่ยเราเคยเราเคยตะนี่เคยขโมยข้าวของเงินทองเขาเดี๋ย ว, วก็ฝันว่าต้องไปเป็น เป็นขอทานเป็นธรรมะหากินแบบขอทานเพราะเราไม่เคยรู้จักธรรมะหากินเองมีแต่ขโมยเงินของคนอื่น ดังนั้นในโลกทิพย์มันก็จะทําให้เรากลายเป็นขอทานไปพวกที่ไม่ทําบุญทําทานเนี่ยพอตายไปก็จะเป็นขอทานกันอาชีพขอทานส่วนพวกที่ทําบุญทําทานก็จะไปเป็นเศรษฐีกันไปท่องเที่ยวตามประเทศต่างๆอยากจะไปสวิตเซอร์แลนด์อยากจะไปฝรั่งเศสอยากไปเกาหลีไปไหนก็ไปได้เลย ไปโดยการนเนเรานมิตเนี่ยจิตเราเนลามิตไปบุญจะพาให้เราเนลามิตไปอยากจะไปที่ไหนดีๆไปได้หมดส่วนบาปมันก็จะเนลามิตให้เราไปนู่นซีเรียรไป <c oughs> ไปที่กำลังมีสงครามเนี่ยไปเจอแต่เรื่องวุ่นวายใจต่างๆเพราะเวลาทําบาปใจมันสงบไหมใจมันก็วุ่นวายใช่ไมนั่นแหละเราทําอะไรไว้มันก็จะทําให้เราต้องไปรับผลเหล่านั้น งั้นไม่ต้องกลัวละต้องมีวิเวลาเราตายเนี่ยมันเราจะต้องไปทหาหากินตามที่เราทำไว้ถ้าเราทำบาปเราก็จะไปหากินแบบคนบาป ท, ทำกันถ้าเราทำบุญเราก็จะไปหากินแบบคนบุญก็ทำกันคำถามจากคุณพรพิมลการที่เราแผ่เมตตาตามที่พระอาจารย์สอนว่าให้เอื้อเฟื้อของให้ผู้อื่นแล้ว เราจะแผ่เมตตาให้ตนเองอย่างไรก็เนี่แหละการแผ่เมตตาให้คนอื่นก็เท่ากับแผ่เมตตาให้เราเพราะทำให้เรามีความสุขใช่ไ่ยการให้ความสุขกับผู้อื่นก็เป็นการแผ่เมตตาให้เขาพอแผ่เมตตาให้เขาความสุขที่เราให้เขาก็กลับมาหาเราก็เท่ากับเราแผ่เมตตาให้เราไปในตัวนี่คือการแผ่เมตตาให้ตัวเราก็คือแผ่เมตตาให้คนอื่นคาถามจากคุณอ้ํา กราบเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเจ้าคะ่ะได้อ่านได้ยินมาว่าการทำบุญถวายยารักษาโรคส่งผลให้เรามีร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภยัยตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มีคำสอนของท่านจริงตามนี้ใช่ไหมคะ แล้วกรณีมีโรคภัยที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับสังขารร่างกายที่เปลี่ยนไปโรคที่เกิดขึ้นน่าจะเกี่ยวเนื่องจากกรรมที่เราได้เคยกระทําไม่ดีไว้เนื่องด้วยสาเหตุใดก็ตามที่เราไม่สามารถทราบได้ขอคําแนะนําจากพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเจ้าค่ะเออไม่จริงหรอกถวายยาแล้วไม่เจ็บไข้ก็ดีเห็นจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเสียงเงินไปโรงพยาบาลมันไม่เกี่ยวกันหล้ว คือการให้ไม่ว่าจะให้อะไรนี้เราจะเรียกว่าเป็นบุญเป็นการทำบุญจะทำให้ใจเราอิ่มใจเราสุขใจเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้จริงแต่เรื่องร่างกายไม่เกี่ยวกันเรื่องร่างกายก็ต้องเจ็บตามตามอายุตามเหตุตามปัจจัยของมันไปติดเชื้อมันก็ต้องเจ็บพระพุทธเจ้ายังต้องเจ็บเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะถอยอะไรมันไม่ได้สิ่งนั้นกลับมาหรอก มันได้สกลับมาที่ใจมันคือมันได้ความอิ่มใจสุขใจกลับมาอจิตใจอิ่มจิตใจสุขก็เป็นจิตใจที่สบายไม่ใช่จิตใจที่ไม่สบายนั่นเองเห็นไม่ว่าจะถวายให้อะไรก็ได้การให้นี้ไม่ได้ไปให้เพื่อที่เราจะได้นู่นได้นี่การให้นี้ต้องมองว่าคนรับเขาต้องการอะไรเข้าใจไหมไปให้ของที่เขาไม่ต้องการมันไม่เกิดประโยชน์กับเขาอะ อย่างโยมเนี่ยถวายสังฆทานโหลเนี่ยถวายมันเป็นกระแปง้งกระแป้งเนี่ยผ้าเขาไม่ได้ใช้กันหรอกมันใช้ไม่ได้มันไม่มีอะไระใช้เอี่ยเพราะฉนั้นให้เข้าใจว่าเราจะให้อะไรใครเราก็ต้องไปดูว่าเขาขาดอะไรเนี่ยสมัยก่อนสมัยที่ยังไม่มีการบอกให้ถวายผ้ากระถินก็มีแต่ใส่บาตรกันอย่างเดียวผ้าเนนหาผ้าอย่างไรรู้ไหม ก็ไปหาผ้าป่าผ้าป่าก็คือผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้าเขาเรียกว่าผ้าป่าผ้าห่อศพสมัยแรกๆนี้พระเขาต้องไปหาผ้ากันในป่าช้าเพราะไม่มีใครถวายผ้ามีแต่ใส่บาตรอย่างเดียวเวลาไปบิณฑบาตเขาก็ให้อาหารมาแต่เขาไม่ได้หาผ้าให้เพราะเขาคิดว่าพระมีผ้าหาเองได้เขาก็เลยไม่ได้ถวายผ้าให้นี้ต่อมา คนมาบวชเยอะขึ้นเยอะขึ้นผ้าในป่าช้ามันไม่พอพระไม่ไม่พระไม่มีผ้าเปลี่ยนบางทีเจอฝนเปียกจีวรเปียกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ต้องห่มผ้าเปียกก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเห็นก็เห็นความเดือดร้อนของพระสงฆ์ว่ากําลังขาดแคลนผ้าเลยต้องบอกญาติโยมว่าต่อไปนี้ถอยผ้ากรถินให้พระนะอคือผ้าที่ให้พระเอาไปตัดเองเรียกว่าผ้ากรินเอน พะใจั้ยไม่ใช่ผ้าที่สำเร็จรูปที่ตัดมาเสร็จแล้วเพราะญาติโยมไม่รู้ขนาดของพระซื้อผ้าสาเร็จพระเตี้ยก่าผ้ายาวมาใส่ก็ใส่ไม่ได้ผ้าผ้าผสูงได้พราผ้าสั้นก็มันก็ใส่ไม่ได้งั้นสมัยโบราณสมัยเขานิยมให้ถวายผ้าล่าใผ้าไปตัดเย็บเอาเองพาใจั้มจะได้ขนาดของตนวิธีนับขนาดของผ้านระเัา ดูที่สอกผ้าใช้ขนาดสอกเป็นเป็นตัววัดพระนี่เขาจะความกว้างของผ้าจีวรนี่หกสอกความลึกสี่สอกนี่สอกของแต่ละคนมันไม่เท่ากันไงงั้นเวลาที่เขาตัดเยยบจีวรของแต่ละองค์มันจะไม่เท่ากันเขาจะวัดที่เอาสอกของของแต่ละองค์มาเป็นตัวตัววัดขนาด นขนาดที่ใส่เนี่ยความกว้างหกอกแล้วก็เผื่อหนึ่งคืบเผื่อตัดเผื่อขาดแล้วก็ความลึกก็ 2, สองสี่อกนี้ศอกของผ้าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยผ้าตัวใหญ่ก็สอกใหญ่ผ้าตัวเล็กก็สอกเล็กเนี่ยยั้นเขาถึงนิยมให้ถวายผ้าทั้งผืนไปแล้วให้ไปตัดเย็บกันเอาเองอย่าไปซื้อผ้าสำเร็จ เราบางทีมันไม่ได้ขนาดเหมือนเราซื้อเสื้อผ้าให้คนอื่นเราเราจะไปรู้เหลือขนาดเขาเท่าไหร่ซื้อรองเท้าให้เขานี่เราจะรู้ป่ะเราจะซื้อเราก็ต้องถามเขาก่อนใช่ไหมทีนี้เขาไม่นิยมถามพระกันว่าท่านขนาดเท่าไหร่อะไรก็เลยให้ถวายผ้าไปทั้งผืนนึ่งแล้วไปตัดเอาเองอนี่คือการถวายของต้องดูว่าคนรับเขาเดือดร้อนเขาขาดอะไร ไม่ใช่เป็นถวายให้แต่ของที่เขาเหลือเฟือใช้ไม่หมดนะนะสมัยยุคพระพุทธกาลนี้ยุคแรกๆนี่ไม่มีใครถวายผ้ากันก็เลยขาดผ้าพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าต่อไปนี่ช่วยถวายผ้าให้พระหน่อยนะเป็นมีย น, นิสงมากมีประโยชน์มากนี่คนไปฟังว่าอนิสงเป็นบุญมากมันก็บุญเท่ากับใส่บาทนั่นแหละ อยู่ที่ว่ามันมีประโยชน์มากประโยชน์น้อยตอนนี้อาหารมันมากเกินไปแล้วใส่บาตรไม่ได้ประโยชน์แล้วเอาเอ า, เอาเงินที่จะไปใส่บาตรนี่มาซื้อผ้ามังดีกว่ า, าจะได้ประโยชน์มากประโยชน์สําหรับผู้รับไม่ใช่ประโยชน์ที่จะเกิดจากผู้ให้ผู้ให้ได้บุญเท่ากับจํานวนการเสียสละของผู้ให้ผู้ให้เสียสละร้อยบาทใส่บาตรผู้ให้เสียสละร้อยบาททําบุญกฐินได้เท่ากันเข้าใจไหม คนสมัยนี้มาคิดว่าทำบุญกระถินร้อยบาทจะได้บุญมากกว่าทำบุญใส่บาทร้อยบาทไม่ใช่เท่ากันแต่ผู้รับนะได้รับประโยชน์ต่างกันแต่สมัยนี้ผ้าก็มากข้าวก็มากอาหารก็มากงั้นจะถวายอย่างไรมันก็ผู้รับก็ได้ประโยชน์เท่าเดิมเหมือนกัน <Yeah. S 1> นี่คือเวลาให้เราจะทำบุญจะให้อะไรใครเราต้องดูว่าเขาขาดแคนอะไร ใช่มเวลาเราจะให้ของใครบางทีเราก็ต้องดูว่าเขาขาดอะไรเช่นเวลาชาวบ้านเขาไฟไหมเราจะไปซื้อตั๋วไปเที่ยวเชียงใหม่ให้เขาอย่มงไรเขาไม่ต้องการหรอกเขาต้องการข้าวเ็าต้องการน้ำ แลวเราก็ต้องดูคนรับว่าเขาขาดแคลนอะไรเขาเดือดร้อนอะไรแต่บุญที่เราได้เนี่ยมันเกิดที่จำนวนของที่เราเสียสละไปถ้าอยากจะได้บุญมากก็เสียสละมากๆถ้าเสียสละน้อยมันก็ได้บุญน้อยมันอยู่ตรงนั้นถ้าจะตัวบุญคือผู้รับผู้ให้เนี่ยจะได้เนี่ยอยู่ที่จำนวนปริมาณของของที่ให้ไปแล้วต้องดูคุณภาพด้วยให้ของไม่ดีก็บุญน้อยอีกอะ ใช่ไหมให้ขยะเนี่ยให้ขยะเขาไปนีได้บุญหรือเปล่าเราทิ้งขยะแล้วเราได้บุญหรือเปแต่ถ้าเราทิ้งทองไปนี้ได้รู้สึกไงให้ทองไปนี่รู้สึกโอ้ยปลื้ม อ, อกปื้มใจนะที่สามารถให้เงินให้ทองคนอื่นไปได้เนี่ยยิ่งให้ของมีค่าเท่าไหร่เท่าไหร่บุญจะมากเท่านั้นนะเพราะเราได้รับไดเ้เราได้ชนะความตนีได้ชนะความหวงได้ชนะความหวง ที่ทำให้ใจเราไม่มีความสุขนะอยากสิ่งที่เรามีอยู่เพราะสละสิ่งที่เรามีไปแล้วแทนที่จะเสียใจกับมีความสุขใจขึ้นมาันขอให้เข้าใจนะเวลาทำบุญนี้ขอให้ดูผู้ให้ผู้รับว่าเขาขาดอะไรคำถามจากคุณอ้อยตราบเรียนพระอาจารย์ค่ะมีคนรู้จัก เขาบอกว่าเขาจะบวชชีและให้โยมซื้อชุดให้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีห1หนึ่งแล้วบอกว่าจะบวชตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันจนป่านนี้เขายังไม่บวชเลยโยมอยากทราบการที่เราซื้อชุดให้แต่ mm. ให้แต่เขาไม่บวชโยมจะได้บุญไหมคะแล้วถ้าเขาไม่บวชเขาจะบาปไหมคะ เราได้บุญเพราะเราได้เสียสละเงินซื้อชุดให้เขาไปเขาบาปเพราะเขาโกหกเราหลอกลวงเราอนอกจากว่าเขามีเหตุผลแล้วก็มาแจ้งให้เราทราบว่าทำไมเขาถึงบวชไม่ได้แล้วเขาก็พร้อมที่จะคืนของที่เราให้เขาไปเขาก็จะไม่บาปคาถามจากคุณสันพบกราบน้ัมสการพระคุณเจ้าคุณแม่เคยเป็นมะเร็งที่หน้าอก ทำการรักษาโดยการให้หมอผ่าเอาเนื้อร้ายออกทั้งสองข้างเวลาผ่านมาเก้าปีเมื่อวานพาแม่ไปตรวจร่างกายหมอตรวจพบก้อนเนื้อขนาดเล็กที่ตำแหน่งเดิมคุณแม่ไม่สบายใจคุณแม่ไม่ค่อยเข้าวัดแม่อายุเจ็ดสิบหแม่จะบอกว่าตอนนี้ปวดขาไปไม่ไหวจะให้ไปได้อย่างไรหรือยังไม่ถึงเวลา แม่ไม่ค่อยชอบทำบุญใส่บาทตอนเช้าแทบไม่เคยเลยผมพยายามบอกแม่ให้เข้ามาทางธรรมแต่แม่ก็จะอ้างเหตุผลข้างต้นแต่ผมชอบทำบุญจะตั้งจิตอุทิศบุญให้แม่ทุกครั้งอยากให้แม่มีที่พึ่งทางใจแต่เป็นแบบนี้ไม่ทราบจะทำอย่างไรครับพูดมากไปเราก็จะเป็นลูกเราเป็นลูกจะบาปเสียปเปล่าอีขอคาชี้แนะด้วยครับ ก็ถ้าช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมก็ลองดูด้วว่าแม่แม่ชอบทำบุญอย่างไหนหรือเปล่าชอบช่วยหมาหรือเปล่าชอบช่วยแมวหรือเปล่าหรือชอบทำบุญแบบอื่นก็ได้ไม่ต้องทำบุญกับวัดก็ได้ชอบช่วยโรงพยาบาลก็ได้ ไม่สบายไปโรงพยาบาลก็บริจาคเงินให้ที่โรงพยาบาลก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมาวัดหรอกการทำบุญนี้ทำได้ทุกแห่งทุกขนได้บุญเหมือนกันอย่างที่พูดบุญอยู่ที่การเสียสละของเราส่วนผู้รับนี้จะเป็นใครที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องจำเป็นเจาะจงบางคนเขามีความรู้สึกแอนตี้วัดเพราะว่าเขาอาจจะเห็นวัดในรูปแบบที่ไม่ดีเห็นพระที่ไม่ดี ก็เห็นแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์ของวัดเพราะประโยชน์ของวัดนี้มันทางด้านจิตใจเขามองไม่เห็นเขาจะมองเห็นแต่ประโยชน์ทางด้านวัตถุเขาก็เลยอาจจะไม่ศรัทธาทางวัดไม่อยากจะทำบุญกับทางวัดบางคนเ็าทำบุญกับโรงพยาบาลสร้างตึกสร้างอะไรกันเขาไม่ยอมทำบุญกับวัดเพราะเขาไม่รู้ว่าประโยชน์ที่วัดทานั้นเป็นอย่างไร แต่เขาเห็นประโยชน์ทางโรงพยาบาลบางคนก็บริจาคสร้างอาคารเรียนมหาวิทยาลัยบางแห่งเขาก็มีการให้ทุนอะไรเยอะแยะไปหมดเพราะเขาเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบริจาคเงินทองของเขา แันก็ถามแม่ดูสิแม่ชอบทำบุญแบบไหนก็ทำได้ไม่ต้องมาทำบุญกับวัดนะแม่อยากจะทำโรงพยาบาลก็ทำกับโรงพยาบาลทำกับโรงเรียนก็ทำกับโรงเรียนทำกับมูลนิธิสภากาชาติไทยทำบุญกับในหลวงทำบุญกับใครก็ได้ร่วมทำบุญมีมีหน่วยงานสาธารณะกุศลรอรับบุญยเยอะแยะไปหมด ห่วยกู้ภัยต่างๆเวลาเกิดภัยนี่ก็ต้องช่วยกันอันนี้ก็ทำได้ทั้งนั้นงั้นอย่าไปเจาะจงที่วัดเนี่ยที่มาที่วัดคือเราต้องกา ร, ร, าการบุเราต้องการบุญหลายอย่างไงไม่ใช่บุญเพียงที่เกิดจากการทำบุญอย่างเดียวตอที่วัดนี่มีบุญที่ดีกว่าบุญที่ได้จากการทำบุญเกิจะได้มาศึกษามาปฏิบัติธรรม ที่เป็นบุญที่ขั้นที่ยิ่งใหญ่กว่าการทําบุญทําทานแต่ถ้าเขายังไม่อยู่ในระดับนั้นก็อย่าไปฝืนบังคับเขาเหมือนยังเป็นเด็กอนุบาลอยู่อย่าไปดึงเขาไปมาหาหลัยเขาไม่รู้หรอกมาหาหลัยสอนอะไรเขาเรียนไม่รู้เรื่องฉันใดถ้าเขายังไม่พร้อมที่จะเข้าวัดก็อย่าดึงเขาเข้าวัด ก็มีวิธีหวานล้อมเขาเอาวัดไปที่บ้านก็ได้เดี๋ยวนี้ยเปิดให้เขาฟังก็ได้เขาฟังไม่ฟังแล้วก็เปิดทิ้งไว้น่ะเดี๋ยวดีไม่ดีมันก็อาจจะทํำให้เขาอะมันมีอะไรวะเามาลองฟังดูสักหน่อยฟังแล้วอาจจะเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้หนอเป็นอย่างงี้หนาะอ่เพราฉะนั้นเราบังคับเขาไม่ได้แต่เราอาจจะหวานล้อมหลอกล่อเขาได้ด้วยอุบายต่างๆเช่นมีหนังสือธรรมะก็ทิ้งไว้ในบ้าน ทิ้งไว้ทุกมุมทิ้งในห้องนั้นห้องนี้เดี๋ยววันดีคืนดีแกไม่รู้จะทำอะไรหาอะไรอ่านไม่ได้อาจจะไปเปิดหนังสือธรรมะมาอ่านก็ได้ต้องมีของให้เขาไว้ก่อนถ้าไม่มีเลยเขาอยากจะอ่านหนังสือธรรมะก็ไม่มีให้เขาอ่านถ้ามีจอเดี๋ยวนี้มีทีวีจอใหญ่ๆก็เดี๋ยวนี้ถ่ายทอดสดก็ให้มันเปิดไปจอใหญ่เลยเดี๋ยวแกนั่งดูไปนั่งฟังไป ถ้านั่งแกดูฟังสบายอยู่บ้านนอนฟังเหยียดเท้าฟังก็ได้ใช่ไหมแก ก, ก็อาจจะชอบฟังทมก็ขึ้นมาก็ได้ แต่ถ้ามาวัดนี่มันต้องมานั่งพับเพียบต้องนั่งมานั่งบนพื้นแข็งๆมันก็นั่งไม่ไหวเจ็บแล้วแก่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าอยู่บ้านเปิดทีวีจอยักษ์ได้มีโซฟานิ่มๆ น, นั่งยืดแข้งยืดขาได้ฟังไปได้เขาอาจจะชอบฟังธรรมแบบนั้นก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระจะอยู่จะอยู่ในท่าไหนฟังธรรมก็ได้ถ้านอนฟังธรรมก็ได้ออกกาลังกายฟังธรรมไปก็ได้ ยงแต่ว่ามันฟังธรรมจะได้ผลดีมันต้องอยากทำอะไรจะดีที่สุดเท่านันเองคำถามจากคุณเด็กน้อยกราบนมัส ก, การครับนั่งสมาธิสักพักจะมีอาการหน่วงช่วงระหว่างคิ้วเหมือนมีลูกแก้วหมุนตรงระหว่างคิ้วคืออาการอะไรครับดีหรือไม่ดีครับ ไม่ดีหรอกอย่าไปสนใจคิดว่าดีก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่ดีก็ไม่ใช่เป็นอาการที่จิตเรามันไม่ถูกสติเราไม่สามารถควบคุมจิตได้มันจิตก็เลยสร้างอาการต่างๆขึ้นมาท่า น, นเองก็ต้องกลับมาที่พุทโธกลับมาที่ลมแสดงว่าเราเผลอลมหายไปไม่ดูลมหรือไม่พุทโธ อพอเผลิดปั๊บเดี๋ยวมันก็มีอาการต่างๆปรากฏขึ้นมาหรือไม่เพลิมันปรากฏก็แสดงว่าสติเรายังมีกําลังไม่พอที่จะหยุดมันก็อย่าไปสนใจปล่อยมันปรากฏขึ้นมาอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจเท่านั้นเองรับรู้แล้วก็กลับมาพุโทโธพุโทโธต่อดูลมต่อไปอย่าทิ้งลมอย่าทิ้งพุโทโธก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องทั้งสองอย่างก็ได้ใช้พุโทโธก็ได้ใช้ลมก็ได้หรือจะใช้สองอย่างปนกันก็ได้ แต่อย่าไปสนใจกับอย่างอื่นมีอะไรมาปรากฏให้เรารู้สึกก็อย่าไปรับรู้รู้แล้วก็ปล่อยอย่าไปตามรู้คำถามจากคุณวันเรียนถามพระอาจารย์พยายามทำจิตให้เหมือนจอทีวีและรู้ว่าภาพและเสียงแค่ผ่านมาผ่านไปแต่จิตก็ยังไม่นิ่งต้องคอยดึงไว้ให้นิ่งควรทำอย่างไรครับ ก็พยายามดึงมาเรื่อยๆใช้สติดึงกลับมาดึงให้มาอยู่กับพุโทโธดึงมาให้อยู่กับลมอย่างใดอย่างหนึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใหม่ๆเป็นเหมือนการชักไปเยอะกันส่วนใหญ่เขาจะฝ่ายฝ่ายต่อสู้เราคู่ต่อสู้เรามีพลังมากกว่าเรายังเป็นเหมือนกับมวยอ่อนหัดอยู่เหมือนกับเพิ่งเริ่มหัดชกไปเจอแชมป์นี่มันสู้เขาไม่ได้หรอกใหม่ๆจะถูกเขา น็นอกอยู่เรื่อยๆแต่ขอให้เราเป็นแบบพวกสู้ไม่ถอยก็แล้วกันอย่าหยุดก็แล้วกันอย่าหยุดพุทโธอย่าหยุดดูลมฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อย ๆ, อยๆแล้วต่อไปกําลังจะมากขึ้นมากขึ้นไปเองต่อไปเราก็จะล้มแชมได้หมนแล้วเลยมีครับโอเคคําถามจากคุณวันนิพากราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องจิตที่เป็นมหาสติ ที่เป็นปัญญาแตกต่างจากจิตที่เป็นกิเลสอย่างไรและมีวิธีสังเกตดูจิตที่เป็นสัมมาสติอย่างไรเจ้าคะก็สติจิตที่มีสติที่เป็นมหาสติก็คือควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้หยุดอารมณ์ต่างๆได้พอโกรธก็หยุดได้พอโลภ ก, ก็หยุดได้เนี่ยว่ามีกาลังที่สามารถคุมจิตได้เรียกว่ามหาสติ พวกที่ไม่มีม า, าสติก็บางทีก็คุมได้บางทีก็คุมไม่ได้บางทีก o i ก, ก็บางทีก็หยุดได้บางทีก็หยุดไม่ได้ไม่ต่างกันเห <c oughs> มือนรถเน่ยเบรกดีกับรถเบรกไม่ดีใช่รถเบรกดีเหยียบปุ๊บก็หยุดปับ๊บรถเบรกไม่ดีเหยียบปุ๊บต้องไปชนนั่นก่อนถึงจะหยุดคำถามจากคุณสติมาเ <c oughs> พื่อนฝากถามดูลมไม่ถึงนาที ฟุ้งไปที่อื่นกว่าจะกลับมานานมากขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายเนอะก็เพราะไม่มีสติไงอยู่ๆจะมานั่งสมาธิเลยโดยไม่มีสติก็เหมือนจะไปจับลิงเนาไม่มีเชือกก่อนจะไปจับลิงต้องหาเชือกก่อนใช่ถ้ามีเชือกพออยู่ใกล้ตัวลิงก็เหวี่ยงเชือกเข้าไปคล้องคองมันเลยถ้าไปอยู่ใกล้ตัวลิงไม่มีเชือกเอามือไปจับมันมันก็วิ่งหนีทันที จิตเราเป็นเหมือนดึงสติเป็นเหมือนเชือกถ้าอยากจะจับจิตให้มันนิ่งต้องมีเชือกต้องมีสตินั้นต้องสร้างสติก่อนต้องฝึกสติก่อนที่จะมานั่งอต้องควบคุมความคิดให้ได้ก่อนต้องพุทโธพุทโธไปได้ก่อนแล้วพอมานั่งก็จะอยู่กับพุทโธไปพออยู่กับพุทโธมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้จิตก็จะสงบจิตก็จะนิ่งขึ้นมา